ความปลอดภัยแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิญขอพระโพธิสัตว์เท้าศักกะเทวราชเท้าเวสสุวรรณพระสยามเทวาธิราชเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพ่อหลักเมืองเทวดาประจาพระพุทธรูปต่างๆพระราชาข้าราชการผู้ทรงคุณความดีพระภูมิเจ้าที่พ่อปู่ฤาษีทุกท่านผู้บำเพ็ญเพียรทั้งในอดีตและปัจจุบัน